สิ่งแวดล้อมที่น่ายินดีด้วยสรุปก็คือความเส้นจากภพชาติก็เป็นที่น่า ย, ยินดีถ้าวิบากจริงๆนะของหมาของกุศลเนี่ยนะเป้าหมายคือผลแล้ผลวิบากผลลกิตเน่ยใช่ไหมนะเพราะกุศลเนี่ยต้องขับเน้นกุศลทั้งหมดต้องขับเน้นกุศลทั้งหมดทั้ง21นั่นแหละใช่ไหมถ้าทั้งวิบากทั้งที่เป็นหมายบากทั้งรูปวิบากทั้งรูปวิบากไม่เป็นผลหมดเลยเนี่ยเป็นวิบากหมดเลย เป็นมหาข่ตววิบากก็ควรเอาแม้ในโลกุตรผลก็ชื่อว่าเป็นผลของกุศลใช่ไหมถ้ามองในฐานะเป็นเบื้องต้นของฌานอภิน ญ, ญามะผลเลยแล้วจะเห็นชัดเลยสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เขียนได้ชัดว่าเหตุใกล้ก็คือโยนิโสมุ่งแสดงนะถ้าเรามุ่งแสดงถึงวิบากของกุศลเป็นวิบากที่ไม่มีโทษไม่เหมือนความสุขที่เกิดจากโลภะมูลจิตความสุขที่เกิดที่เป็นผลของกุศลเนี่ยไม่เหมือนกัน ผลของความสุขวิบากของโลภะเป็นวิบากที่ไม่น่าปราถนาไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินแต่โลภะเป็นไปก็สมานสเวทนาบ้างเป็นไปก็อุเบกขาเวทนาบ้างเราสัตว์ยินดีใช่ไหมเลื่อนเลื่อนเลิงทั้งหลายบ้างก็จริงอยู่แต่วิบากของโลภะไม่น่ายินดีไม่น่าเพลิดเพลินเลยเพราะโลภะนั้นให้อเหตุเกิดวิบากใช่ไหมให้อหิเหตุกิดวิบากและก็ให้สีเสียงกลิ่นรสสัมผัส และก็ทำมารมที่ไม่น่าปรารถนาให้พบชาติที่ไม่บริบูรณ์เลยให้พบชาติที่น่าเจ็บปวดแต่เราสัตว์กระทำกรรมด้วยความล่าเลงแต่เป็นไปกับกายทุจริตวิจิตรจริตและมโนทุจริตลักษณะเมื่อกุศลเกิดขึ้นก็ทำหน้าที่กำจัดกิเลสกุศลจึงมีความผ่องแผ้วเป็นอาการปรากฏเหตุใกล้ชิดของกุศลจึงขับเน้นไปที่โยนิโสมรสิการความเป็นผู้ฉลาดพิจารณาลมด้วยความด้วยปัญญานั่นเอง ทำที่ไม่มีโรคเป็นกิเลสที่กระสับกระสายไม่มีโทษคือกิเลสนั่นแหละนะทำให้กวนกวายเกิดจากทำที่ชื่อว่าโกสัลละความเป็นผู้ฉลาดส่วนความผ่องแผ้วแสดงถึงสัมปติรสนะสัมปิติรสรสคือบริบูรณ์และ <c oughs> กิจนั้นสมบูรณ์แล้วจึงทําให้เกิดความผ่องแผ้ววิบากกุศลเป็นวิบากที่น่าปรารถนาตรงนี้ก็ไปใคร่ควรพิจารณาคือลักษณะของกุศลเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ ถ้ามองในชั้นของกุศลถ้าขับเน้นว่าในชั้นของคำสอนเนี่ยทำไมสังเกตดูไหมว่าเวลาศึกษาคำสอนในชั้นโดยยะในยะของพิสดารเนี่ยเขาจะเอาบุญกิริยาวัตถุสิบคือทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลอปจายนะวายาวจะปฏิทานะปตานุโมทนาธรรมสววะธรรมเทศนาที่ถูกชุ ก, กรรมบุญกิริยาวัตถุสิบใช่ เป็นไปกับทานเป็นไปกับศีลเป็นไปกับภาวนาถ้าขยายอีกก็คืออภิญญยายยนะการประพฤติอ่อนน้อมวา ย, ยาวจากขวนขวายในการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางกุศลทั้งหลายเหล่านี้ปฏิทานะให้ส่วนบุญอนุโมทนาก็คืออนุโมทนาส่วนบุญแล้วก็ธรรมะสวัสฟังธรรมธรรมเทศนาคือการกล่าวพระธรรมแล้วก็การทําความเห็นให้ตรงซึ่งเป็นประเด็นข้อสุดท้ายที่สําคัญมากขับเน้นลงที่กรรมสกตาสมาธิฐิเห็นไหมว่าท่าน กุศลทุกประการทั้ง9ข้อเว้นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิไม่ได้ตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิต้องชัดแล้วเราท่านทั้งหลายแหละตัวสัมมาทิฏฐิเป็นประทีปจริงไหมเป็นประทีปเป็นประดุดดังไฟจริงไหมที่ส่องสว่างให้เราเห็นการกระทําและเห็นผลของการกระทําจริงหรือไม่ถ้ายังขับเน้นให้เห็นไม่ได้ก่อนให้ขณะให้หลังให้ยังไม่ชัดเจนตรงนี้ต้องเจตนาเนี่ยต้องกระตุ้นเตือนชักนําสัมยุต ธ, ธรรมใช่ไหม ที่วิตกยกขึ้นแล้วที่มนสิการนั้นน่ะไปใขว่ควรมุ่งนําสมัยุทธธรรมสู่อารมณ์นั้นแล้วขึ้นมาทํากิจของตนยังไว่าพัรษาทำหน้าที่กระทบอย่างไรเวทนาทํำหน้าที่เสวยอย่างไรสัญญาทำหน้าที่จําอย่างไรยัแล้วก็สติทำหน้าที่ระลึกศรัทธาทำหน้าที่เชื่อมั่นกรรมและผลของกรรมเป็นต้นอย่างไรนั้นเจตนาต้องไปทํากิจในการที่จะประชมปรุงแต่งสภาพธรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้น แล้วก็จะได้ขับเน้นว่ากุศลเกิดขึ้นจะได้ไปทําลายโลภะใช่ไหมโลภะไหนไหนในวัตถุในวัตถุใ น, ในทายธรรมเป็นต้นเหล่านั้นนั่นแหละปฏิฆาในไหนในปฏิฆาหกคือผู้รับเป็นต้นเหล่าเนี้เนี่ยต้องทําลายราคะโทสะโมหะโลภะโทสะซึ่งมีความตณีเป็นประธานก็ถูกทําลายไปปัญญานั่นแหละเข้าไปเข้าใจว่าไปรู้ว่าไอ้ความตณีเป็นเหตุแห่งความยากจน โลภะเป็นเหตุแห่งความยากจนใช่ไหมเป็นเหตุความวิบัติแห่งทรัพย์เป็นต้นพอพชจารณาอย่างนี้ก็เป้าหมายการเจริญทานอากุศลเป็นต้นจึงเป็นเป้าหมายแก่การทําลายโลภะทาลายโทสะคือความตณีให้ทานมาตั้งหลายปีแต่โทสะยิ่งเพิ่มขึ้นนี่มันผิดปกติแล้วผิดปกติแล้วอันนี้เป็นไปไม่ได้แล้ว น, นี่มันพลาดแล้วเนี่ยอ๋อเมื่อกี้ไม่ได้กล่าวครับว่าเป็นเรื่องการให้ทาน เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิคือหมายความว่ า, วาบุญกิยาวัตถุทุกข้อนีนจะต้องมีปัญญานำจะต้องมีตัวสัมมาทิฏฐินาหน้าทานถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็เป็นทานที่ไร้ทิศทางศีลถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็เป็นศีลที่ไร้ทิศทางก็ออกนอกรูนอกทางคำสอนไปภาวนาถ้าไม่มีปัญญานำหน้าก็เป็นภาวนาที่ออกนอกรูนอกทางอัิญญานะเวียาวจมันก็ทากันทั้งนั้น ถ้าม่มีปัญญาคือสัมมาทิฐิที่เป็นกรรมสักดาสัมมาทิฐิเบื้องต้นนาหน้าแล้วก็ไล่ทิศทางหมดเลยนั้นเป้าหมายจริงๆว่าชาวพุทธต้องขับเน้นให้ดีว่าว่าเราจะเดินทางอย่างไรที่มีปัญญาที่เป็นกรรมสักดาสัมมาทิฏฐิให้ชัดก่อนก่อนที่จะเดินก็สู่วิปัสสนาสัมมาทิฐิตรงนี้สาคัญมาก ถ้าหากว่าตัวกรรมสกตาสมัมมาทิฏฐิไม่มาทํากิจไม่ทํางานไม่ทํากิจในการทําเป็นประทีบส่องแสงสว่างให้เห็นชัดเหตุผลใช่ไหมตามความเป็นจริงให้ชัดว่าให้ทานเพราะอะไรใช่ไหมเรารู้ว่าทําไมอ่าชีวิตของถ้าเราเห็นผลที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจเหตุแล้วตึกถลม่มแผ่นดินไหวมันต้องเข้าใจที่ชาวพุทธเนี่ยต้องอ่านสถานการณ์ออกที่มันมาจากอะไร คนมาจากอะไรใช่เห็นผลปรากฏเฉพาะหน้าเห็นความวิบัติย่อายาายับไปของตนเองและบุคคลอื่นมันต้องชัดเจนในเหตุว่าผลที่วิบัติเร็วขนาดนี้เพราะสร้างเหตุที่ไม่บริบูรณ์อย่างไรใช่ใช่ถ้าเราก็จะมองอว่าในทานของในด้านของกรณีของคำว่าทา น, นกุศลใช่ไม เหตุของปาณาติบาตเป็นยังไงทินนาทานเป็นต้นเป็นยังไงเป็นต้นหรือทานกุศลที่ให้แล้วกระทบตนแล้วบุคคลอื่นเสียหายอย่างไรนํามาซึ่งถูกถูกไหมซับจะต้องถูกต้องวิบัติไปเพราะถูกคลิปถูกไหมเป็นต้นเหล่านี้เป็นต้นจากโจรบ้างจากไฟจากน้ําท่วมไฟไหม้เป็นต้นเห็นไหมก็ไม่มีสัพพิสตานอย่างนี้เป็นต้นเงี้ยก็จะเห็นชัดว่าสัพพิสตานพูดเรื่องทานจริงนะแต่กระทบถึงศีลนะกระทบถึงศีลไปเรียบร้อยนะ ในยะนี้กล่าวกุศลนั้นกล่าวทั้งหมดนะแต่ไม่สามารถกล่าวพร้อมกันได้แต่เราท่านหลายว่าเมื่อคนเดินกุศลเป็นแล้วเนี่ยจะรู้ว่ากายกรรมเป็นทานกุศลเป็นยังไงวิจีกรรมเป็นทานกุศลมโนกรรมเป็นทานกุศลที่พยายามขับเน้นอยู่ตลอดเวลานั้นเป็นเรื่องของข้อมูลและความเข้าใจล้วนๆ น, นั้นคนที่มีความเข้าใจเนี่ยกุศลมันเดินขึ้นอย่างเดินออกจากภายในที่เป็นไปกันนามธรรมฉะนั้นสัญญาความจําน่ะ ด, ดีอยู่แล้วศึกษาพระธรรมน่ะ ด, ดีอยู่แล้ว แต่ไม่ใช่ว่าศึกษายกตัวอย่างนะามายกตัวอย่างอย่างนี้บอกว่านั่งคุยกันว่าให้เจริญปัญญาบา ร, รมีเสมอเหมือนหนึ่งกับพระเหมือนกับพระถือการบิณาบาตเป็นวดัดพระนั้นเดินบิณาบาตเนี่ยไม่เลือกไม่เลือกบุคคลที่ให้เลยบุคคลที่ให้นั้นจะเป็นบุคคลชั้นต่ําชั้นกลางชั้นสูงอย่างไรพระท่านไม่ได้ใส่ใจตรงนั้น ท่านใส่ใจว่าอาหารที่จะมาใส่ท้องของตนเองเพื่อจะทำให้กระแสชีวิตของตนเองอยู่ได้เพื่อการจเจริญงอกงามในกุศลธรรมที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะแม้ฉันใดบุคคลที่บำเพ็ญปัญญาบา ร, รมีก็อย่างนั้นแต่พูดแค่นี้คนก็ไม่เข้าใจนะก็บอกอ๋อมาศึกษาพระธรรมเนี่ยนะมาฟังธรรมแล้วก็ฟังฟังพอเป็นพิธีไปอย่างนี้นะโดยข้อเทจจริงไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่เลย เพราะเราไม่เคยอุ้มบาตรไงไม่เคยเป็นพระไงเลยไม่รู้อุปมานี้ตอนเช้าเนี่ยมันหิวอะโยมท้องร่างกายมันอยู่ไม่ได้มันเป็นความจำเป็นฉะนั้นการแสวงหาอาหารจึงเป็นความจำเป็นมากมันโยมต้องไปจ่ายกับข้าวหาอาหารต้องทำอาหารตอนเช้านั่นแหละพระก็ต้องไปหาอาหารอย่างนั้นแหละแต่ต้องมณสิกานไปจึงไม่เลือกเลยว่าจะเป็นวันณะไหนคนชั้นใดมใ้ชั้นใด ปัญญาเนี่ยถึงเป็นกิจที่ควรรู้ปัญญาทุกระดับเนี่ยเป็นกิจที่ควรรู้ควรแสวงหาควรตั้งใจเพราะเป็นความจําเป็นของกระแสชีวิตที่จะเดินไปในวรตะถ้าขาดปัญญาก็คือบอดหมดสนิทเนอะบอดเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เรียนเล่นเล่นไม่ใช่ใครควรเล่นเล่นเลยเป็นเรื่องที่จะต้องทําให้เกิดจริงๆมันเป็นทั้งหมดของชีวิตเป็นทั้งหมดของชีวิตเนะปัญญาคือสัมมาทิฏฐิ เพราะสัมมาทิฏฐิเน่ยคือพระพุทธเจ้าคือพระเจ้าปัญญาจึงเป็นทั้งหมดของชีวิตใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงเป็นทั้งหมดไงของพรหมจรรย์พระพุทธเจ้ากับพระธรรมเนะี่ยในยะเดียวกันไหมในยะเดียวกันเนี่ยนี่เราไม่เคยเห็นปัญญาเป็นพระพุทธเจ้าซสทีเนี่ยเราก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่ฉันทะไม่ศรัทธาปัญญาที่จะน้อมเข้าเฝ้า เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่พระองค์จกให้ปัญญาเราจริงๆนั้นปัญญาเป็นประทีปเป็นตัวนําเป็นตัวส่องแสงสว่างชีวิตขาดปัญญาเนี่ยมันดับเลยนะดับเลยแหละให้ทานก็ผิดฟังธรรมก็ผิดนันผิดหมดแหละเพราะปัญญาไม่เดินเนะี่ยปัญญาไม่มาทํากิจเนะี่ยมันก็จำจำไปเนะี่ยเป็นอลหัตทูปริยสก็ได้นะเรียนเป็นประดุดงูพิษแล้วก็ไปทําลายตนเองนะทําให้ตนเองต้องเสียหายเยอะเลย เนี่ยเป็นอย่างนี้โอ้โหพูดอิทิบาทนี่ต้องพูดตั้งแต่ชันทะจริงๆแล้วชันทะสรุปองนี้นะว่าชันทะเนี่ยถ้าระดับสูงนะระดับที่เขาต้องการที่จะนั่นจริงๆเนี่ยท่านบอกว่าเอาการบรรลุเป็นตัวตั้งเอาการบรรลุอะชันทะขนาดนั้นเลยตายได้เมื่อถ้าไม่ได้บรรลุนั่นแหละฉันทิธิบาทจริงๆเป็นอยงนั้นเลยนั่นแหละท่า น, นปัญญาก็ในยศสนักของการอันนี้ น, นี้ท่านพูดแบบอุกฤษนะ อุกฤษในชั้นคําสอนเลยเลาอย่างนั้นเลยเพราะชินฉันทิฏฐิบาตจริงๆเนี่ยถ้าเป็นอีกให้สังเกตเนอะพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านจะเดินอิทิบาตแบบอุกฤษฉันท้วิริยะจิตตาและปัญญาของท่านเนี่ยแปบลบอุกฤษหมดเลยท่านจึงยอมสละกายและชีวิตเพื่อผู้อื่นทรัพย์ที่มีอวัยวะที่มีชีวิตที่มีมีเพื่ออุปการละแก่ผู้อื่นโดยแท้นั่นแหละคืออิทิบาตของ พ, อพระโพธิสัตว์ซึ่งอย่างเราฟังแล้วก็ขนลุกแล้วขนลุกแล้วเยียมบอล งั้นฉันท้าเ น, นี่ยล่ะตอนนในในไหนอ๋อโยบอนก็ ก, ก็ก็ต้องท้าถามบอกว่าถ้าหากว่าอิทธิบาทไม่อยู่ในระดับสูงอิทธิบาทนั้นก็ไม่สามารถที่จะกําจัดธรรมที่เป็นข้าสึกได้คำว่าอิทธิเนี่ยก็คือว่าความสําเร็จเนี่ยเนี่ยความสําเร็จเนี่ยก็กรณีอย่างเงี้ยท่านที่อุปมาบอกว่าฉันทีอิทธิบาทเนี่ยทวอิธิบาทเนี่ยท่านเอาองค์สีเนื้อเลือดรู้ไหม เนื้อและเลือดจงเหือแทองไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกกต็กกตามทีต่อองค์สีเนี่ยถ้าไม่ได้อิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าไม่ได้สําเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งจกไม่หยุดเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าจิตติธิบาตก็คือว่าจิตจดจ่ออยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันทํากิจอย่างอื่นแล้วเพราะงั้นเถอะถ้าวิมังสิทธิบาตนี่ก็เป็นไปในลักษณะการว่าวิจัยก็แปลว่าที่สุดจริงๆก็คือว่า ก็เป็นไปเพื่อการนี่นยแหละได้ได้ได้โลกุได้ได้อิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเหรอเนั้อนึนั่นคือคืออิทธิบาทแต่ในรายละเอียดนั้นเอาไว้มีเวลานะียขยายอ๋อถ้าถ้ามีเวลาขยายต้องต้องขยายเรื่องอิทธิบาทนะียอิทธิบาตรเคยเคยพูด ไ, ว, ว, ด ไ, ว, ว, ไ ว, ว้แล้วเคยพูดไว้แล้วเคยอุปมาไว้แล้วแล้วเคยพูดไว้หลายที่ด้วยอิทธิบาสนี่เนะี่ย่ังบอเคยพูดไว้หลายที่ ตรงนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของกุศลเนี่ยนะถ้าโดยนัยยะพิจารณ์นะให้สังเกตว่าบุญกริเลสวัตถุเป็นต้นดังกล่าวเนี่ยผู้ฉลาดนั้นก็ต้องนับกุศลและจิตนะโดยนัยยะของบุญกิเลวัตถุใช่ไหมหมายความบอกว่ามหากุศลจิตหนึ่งดวงเนี่ยวิ่งไปตามบุญกริเลวัตถุให้สืบเบอรใช่ไหม <c oughs> ทานกุศลที่เป็นมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งก็ได้ศีลกุศลเป็นมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งก็ได้ภาวนากุศลใช้มหากุศล ใช้บุญกิจวัตถุดวงด้วยมหาอุษณดวงที่หนึ่งก็ได้ไหมพ่อนาคุษณ น, นะอภิญญาณวยาวจ่ า, าปฏิทานนภตานณมวทนะธรมธรมะโสนะธรรมะเทสนะที่ถูกเชื่อมเห็นไหมสิบเลยไหมเนี่ยใช้มหาอุษณดวงแรกก็ลองคิดดูเถถ้าแปดวงก็แปลว่า80แล้วอย่างนี้เป็นด้วยแล้วก็เอาอารมณ์หไปคูณที่ใช่ไหมฉะนั้นบุญกิยาวัตถุนั้นอ่ะด้วยอํานาจของบุญด้วยอํานาจของบุ ญ, บญกิจวัตถุสิบนั้นก็เลยกลายเป็น80เลยใช่ไหมพอแปดสิบเนี่ยนะก็เอาอารมณ์หไปคูณ พอลมหกไปคูณก็อีกก็กลายเป็นรูปอารมสัทธารมคันธารลมละสารลมโหดถารลมและธรรมอารมณ์ใช่ไหมสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธรรมอารมณเนี่ยหกหกคูณแปดสิบเป็นเท่าไหร่นั่นแหละดูอํานาจของกุศลทํำไมเกิดขึ้นมากขนาดนั้นเข้าใจยังว่าต้องวิจัยจริงๆทั้งวะก็อย่างนี้ดังที่ได้กล่าวแล้วเนี่ยเราเห็นวัตถุกรรมหนึ่งชิ้นบาปเกิดได้เป็นชั่วโมงแต่เห็นวัตถุทานชิ้นหนึ่งกุศลเกิดได้สองนาที ทำไมทำไมทำอย่างนั้นไม่สงสาร <laughs> ตัวเองบ้างหรืทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไปคข้ควรให้ได้สักชั่วโมงเหมือนกับกิเลสกรรมไข้ควรวัตถุกรรมได้ไหมเอาไปทํานั่นเขาเรียกข้อปฏิบัติในทานะกุศลสิ่งเหล่าเนี้ยเรียนกันมาทั้งนั้นใช่ไหมเรียนกันมาทั้งนั้นแล้วทั้งแยกไปยันถึงปัจจัยแล้วนี่ไงความจริงของปัจจัยที่กําลังทำเขาทําแบบนี้เขาเอามาปฏิบัติแบบนี้โยม นี่หละปัจจัยชัดแล้วเนี่ยนิสทานกุศลนะ่ะเชื่อมโยงสู่ปัจจัยหนึ่งคือข้อปฏิบัติปัฏฐานนี่ยเขาเอามาปฏิบัติยิงไม่ใช่เอาไปนั่งเรียนกันเฉยๆเขาปฏิบัติอย่างนั้นจริงเรียนเข้ามาปฏิบัติทีนี้ถ้าไปถ้าใครควรไม่ได้แล้วปัฏฐานมันเดินยังไงอะเหตุปัจจยอรามาณปัจยอธิปัติปัจยจะเดินยังไงเนี่ยจะเดินยังไงต้อเดินให้ดูที่อาจะเดินยังไงเดินไม่ได้หรอกมันจะออกนอกทางแล้วมอั่งอยิง่เอางี้นะ เดี๋ยวเอาแค่อรารมณชาต์นิดเดียวเนี่แม่ลำนะบากใหญ่เลก็คือคือคือในหลักตรงเนี้ยเราเราเวล า, าพูดไปจริงๆเอามาพยายามที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยามาพยายามเดินแต่มันไม่ใช้พูดไม่ใช้ไปบอกมันแค่นะั้นเนี่ยวันเป็นตัวอะไรเป็นตัวปัจฐานเป็นตัวปัจจัยอะไรคือไม่อยากจะพูดเลยนะพอพูดไปแล้วมันก็จะมันก็จะเป็นเรื่องหนักกันใหญ่เลย มันจะใช้ศัพท์กันค่อนข้างเยอะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของความลําบากของบุคคลที่ไม่ได้เดินหรือศึกษามาอย่างเ ช, <c oughs> ชิงเชิงลึกอะไรกันเนี่ยก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ศับใช่ไหมหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์ บ, บาลีก็มาเกี่ยวข้องเยอะๆเพราะหลายๆคนก็เริ่มพูดบอกว่าออกมาเนี่ยพูดไปก็สัพท์อะไรออกเยอะแยะอะไรอยู่เนื้ก็พยายามหลีกเลี่ยงอยู่กรณีเดี๋ยวดูขุศนตรงนี้นิดนึงนะก็คือพยเอิญว่าก็คือเมื่อกี้ติดอยู่สองปัญหา ปัญหาเดินเดินอารมณ์เดินดินอารมณ์ปัจจัยก็เดินเรื่องการเบรกเรื่องการเดินกรรมฐานเป็นช่วงหนึ่งก็คือถ้ามองในชั้นของคําว่ากุศลกุศลเนี่ยถ้ามองในฐานะของขานเป็นอารมณ์ถ้าเจตนาทานเนี่ยที่เป็นไปกันในเรื่องของอารมณ์ปัจจัยในส่วนของอารมณ์เนี่ยถ้าเรามองในส่วนของตัววัตถุทานเนี่ย มองในส่วนของวัตถุทานนั้นเป็นไปกับทางด้านของจักขโทวารวิถีเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะในขณะที่เรามองทางด้านจักรโหวารวิถีนั้นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ที่ปรากฏโดยฐานะในการเชื่อมโยงในจักรโดยสีของวัตถุทานเหล่านั้นนะถ้าสีของวัตถุทานเหล่านั้นเป็นอารมณนาปัจจัยเป็นอารมณ์นาปุเรชาตาปัจจัยเป็นอารมณ์นาปุเรชาติิเป็นอารมณ์นาปุเรชาติอวิคตะอันนี้มองในส่วนของสองส่วน เฮ้พอมองในสองส่วนต่างๆเหล่านี้ส่วนตัวโลภะทั้งหลายเหล่านี้ใช่ไหมถ้ามองเออถ้ามองถึงตัวกุศลทั้งหลายกุศลเจตนาทั้งหลายที่เป็นไปในจักรุทวาลวิถีเหล่านี้เป็นต้นอะไ่างี้ยอันนั้นก็เป็นไปในส่วนของอารามนาปุเรชาตะอารามนาปุเรอารามนาปัจจยุปัจจยุบันอารามนาปุเรชาตะปัจจยุบันอารามนาปุเรชาติทิอารามนาปุเรชาตตะอวิคตะปัจจยุบันเป็นต้น อันนี้มองในส่วนของทางด้านของของทางปัญจทวารเป็นต้นนั่นก็ไล่ไปตามลาดั บ, ดบถ้าทางด้านของมโนทวารเนี่ยถ้าเรามองถึงตัววัตถุจริงๆข่านขับเน้นตัวเจตนาและท่างมโนทวารถ้าทางด้านของวัตถุอย่างเดียวเนี่ยนะถ้าขับเน้นไปตรงที่ตัววัตถุแต่ไม่ได้ไปขับเน้นตัวกลุ่มน้ำมาทำทั้งหลายเหล่านี้ถ้าไปมีสีเป็นอารมณ์เนี่ยมหากุศลจะไดในฐานะเป็นอา ร, รมณ์ัจ แต่ทางด้านของนมามธรรมทั้งหลายที่เป็นไปกับเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเป็นต้นศรัทธาคือความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหววิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้สมาธิคือความตั้งมั่นปัญญาคือความรอบรู้ที่เกิดขึ้นจากการที่มีสัมมาทิฏฐิกรมกรมกรรมมรรตาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่เข้าไปใเข้าใจในเรื่องของกรรมและก็เข้าใจผลของกรรมชัด มีการวิจัยมีความเข้าใจอย่างท่องแท้เป็นต้นเหล่านี้ปัญญาที่เข้าไปเข้าใจต่งางๆทําให้เป็นปัจจัยแก่ความที่วอกก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เชื่อมั่นเลื่อมใสหลังจากให้แล้วก็ปลื้มใจเนี่ยอันนั้นเป็นไปกับปลาโมดปีติประสิทธิความสุขอันนั้นบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงว่าเจตนาหรือเชือกยึดโยงตรงนั้นที่ท่านใช้คําว่ายัญญาทานยันในฐานะเป็นทานนะเจตนาทานาเป็นต้นเหล่านั้นอันนั้นอยู่ในฐานะเป็นอารมณะปัจจัยไปแล้ว อารามนาธิบดีแล้วอารามโนปนิสยะและเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงและเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีเป็นอารมณ์ที่น่ายินดีด้วยหนักหน่วงด้วยสภาพจิตที่เกิดขึ้นตรงนั้นที่เป็นสภาพของกุศลที่เกิดขึ้นจากการยึดโยงมีเชือกยึดอย่างนั้นน่ะถ้าเรามองนึกย้อนไปดูที่ว่าคติการะเนี่ยที่ท่านปีติเกิดจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นน่ะด้วยการใช้ความคุ้นเคยในการมาตักข้าวอาหาร ที่มาบินทบาทไปสองวันแล้วต่อมาครั้งที่สก็มีการให้ภิกษุมาหรือเอาหลังคาบ้านของท่านเนี่ยไปมุงหลังคาพระคันกดีที่ของพระบรมศ า, ศาสดาครั้งสุดท้ายที่ท่านยังปีติให้ตั้งขึ้นตั้งเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยท่านในกรณีอย่างเนี้ยจะเห็นชัดว่านั่นแหละคืออารมนาปัจจัยเกิดขึ้นนะจิตที่อารมนาธิบดีอารมณูปนิสยยะ เกิดขึ้นกับท่านแล้วท่านสามารถอยู่กับปราโมดปีติอยู่ด้วยกับความสุขได้เนี่ยเป็นเดือนเดือนเลยไปทำกิจใ ด, ดๆต่างๆก็ยังมีความสุขมีความสดชื่นขนาดนั้นอันนี้บ่งบอกถึงว่าอาปปะราประราจเจตนาของท่านทำไมถึงเป็นอย่างนั้นท่านมีฐานของความเป็นบ้านาคาด้วยใช่ไหกิเลสก็ไม่ก้มลุมด้วยอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ต้องกล่าวถึงบ้านาคาย้อนไปดู อนาถาปิณิกาอนาถาปิณิกาเนี่ยท่านทํปาปุพพะเจตนาให้เกิดขึ้นสามการได้ใช่ไหมปฐมยามสี่จะบนอนไม่ได้ปรารถนาจะไปเฝ้าพระเจ้านั้นแปลว่าปุปพพะเจตนานีพอรู้ว่าพระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านไปที่จะไปพบพระเจ้าที่ที่ราชเฉลิลที่ท่านพักอยู่ขณหาะของราชจเฉลรมเศรษฐี น, นอนไม่ได้ลุกตลอดลุกตลอดปีติล้นออกจากกายตนเองจนเปล่งปลั่งเป็นแสงสว่างได้นยะอย่างนั้นเลย อันนี้บ่งบอกถึงปุปพพะเจตนาปรุงแต่งอย่างดีปรุงแต่งอย่างดีเลยที่เป็นไปกับกุศลที่เป็นไปกับสมณ น, นที่ญาณปัญญาต่างๆท่านเกิดนี่ไงเราก็จะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือบุรุชนแะแต่ด้วยความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวคำว่าพุท ธ, ธะเนี่ยคำว่าสัมมาสัมพุท ธ, ธะเนี่ยพานามนี้เป็นมงคล น, นามมากท่านเข้าใจไงกว่าจาได้ยินไห การชีวิตของท่านที่สามารถมาเกิดการประชุมเพาะเหมือนการอุบัติเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นการที่ยากนักหนาและอัธยาศายที่ตั้งท่านตั้งมาอย่างยาวไกลใช่ไหมแล้วท่านเนี่ยเดินทานนะทานบา ร, รมีมาตามรอยพร ะ, พระาศาสดาเลยเนยีลองดูประวัติของท่านนีิฉันออก็อ่านกถาท่านจะขับเน้นไว้เลยว่าทําไมพระบรมศาศสดาจึงสอนทานบารมิทานทานกุศลแก่นาถะค่อนข้างมาก ขับเน้นอนิสงบอกเหตุบอกผลมากมายเหลือเกินเพราะท่านบำเพ็ญทานนะท่านเป็นทานนบดีท่านเป็นใหญ่ในทานท่านบอกท่านเป็นทายกท่านเป็นทานนบดีท่านควรแก่การขอเพางั้นเด้อและท่านรู้ประสงค์รู้ความต้องการของผู้ขอด้วยเห็นหน้ารู้เลยอท่านเข้าใจอย่างนั้นเลยว่าผู้ขอเนี่ยขาดและต้องการอย่างไรท่านก็เข้าใจอย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่า มหากุศลดวงแรกจริงเป็นไปกับทานก็ได้ศีลก็ได้ภาวนาก็ได้อปจายณนะวิยวจะปฏิทานะปตานโมทนาธรรมสวนะธรรมเทศนาแล้วก็ทิฏฐิชุกรรมท่านจึงนับเป็นสิใช่ไหมนับเป็นสิบจากสิบนั้นก็เอาอารมณ์6เอ่อจากสิบก็อารมณ์หพอพอเป็น80ดสิบใช่ไหมพอแ8ดวงก็เป็น80 80ดิก็ด้วยอำนาจของบุญกิริยาวัตถุสิก็คูณด้วยอารมณ์6ก็กลายเป็น480ก็เลยมาแบ่งเป็นญาณวิประยุทธนะ 420ญยาณนนะ้สาสัมประยุทธเ์เท่าไหร่สียเออส4 0ก็พออย่างละ240 240. 240. 240ที่เป็นยาณวิปยุทธ์คูนด้วยอธิบดี3าฉันทาวิริยะจิตตะเอาสามไปคูนก็กลายเป็น720ส่วนญาณนนะ้สามปยุทธ์นั้น2 4งก็คูนด้วยอธิบดี4ีฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาก็เป็น960นะทั้งสองอย่างก็รวมเป็น 1,600 แปดสเนี่ยหนึ่น้ี้มาจากอํานาจของการแตกกาครไคข้ขวดและใน1680ก็เลยคูณด้วยกำสาม 3, เห็นไหมแปลว่าท่านแยกเป็นไงยังามาบอกว่ากายกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไรวจีกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไรมโนกรรมที่เป็นทานกุศลอย่างไรเห็นไหมเนี่ยท่านแยกแล้วแล้วกายกรรมที่เป็นทานกุศลด้วยอํานาจของมหากุศลจิตดวงที่หนึ่งเป็นปัจจัยต่อการคิด ในการที่จะเดินถือปัจจัยเหล่านั้นไปถวายไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้อย่างไรเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็กายกรรมที่เป็นไปกระทานุศลนี่ก็เรียกหลักปฏิบัติในทานกุศลนี่ก็เรียกหลักปฏิบัติในทานในกุศลเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็วจีกรรมในการกล่าวใช่ไหมในการกล่าวในกรณีการคิดที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่นอย่างนี้เป็นต้นในการกล่าว การกล่าวถือของไปด้วยเชิญชวนบุคคลอื่นว่าเราท่านทั้งหลายไปบูชาพุทธเจ้าก็ดีหรือไปให้ทานก็ดีเงี้ยตอนนี้วจีกรรมเนี่ยเป็นทานกุศลแต่โดยส่วนใหญ่ก็เป็นกุศลแต่เราแยกกันยังไม่ชัดไงว่าอันนี้เป็นมหากุศลดวงแรกที่เป็นไปกัญญาสัมปยุทธ์นะเป็นโสมนัสนะมีปีติประกอบด้วยมีเป็นไปกับปัญญาเข้าใจชัดเจนไม่ถูกกระตุ้นเตือน นะอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นไปในรักนะมโนกรรมก็คือไม่ทํากายวาจาให้เคลื่อนไหวแต่ใจน้อมดํามบิดว่าจักปารบในการถวายหรือการจักบูชาพระรัตนตรัยอย่างนี้เป็นต้นนี่มโนกรรมก็เป็นไปในส่วนของทา น, นกุศลลักษณะเงี้ยเขาก็แยกไปทุกดวงหรือทุกดวงที่เป็นกุศล8นะั้นนะ่ะก็ขับเคลื่อนเป็นปัจจัยแก่กายวาจาและใจได้หมดเลย ทางกายกรรมวจีรกรรมและมโนกรรมในส่วนของทานกุศลก็แยกอย่างเนี่ยอันนี้แปลว่าเก็บรายละเอียดไหมเพราเก็บรายละเอียดนั่นคือหลักปฏิบัติในทานหลักปฏิบัติในศีลท่านก็จะบอกไว้หลักปฏิบัติในภาวนาอย่างนี้ก็ว่าไปนี่ๆเป็นอย่างนี้อันนั้นคือว่าด้วยอนาตของกรรมสามกายกรรมวจีรกรรมมโนกรรมเลยกลายเป็นสี่ห้าพันสี่สิบเลยกลายเป็นห้าพันสี่สิบเลยในห้าพันสี่สิบก็คูณด้วยหีนมะชิมปณีตะก็คือหมายความว่ายาง ต่ำอย่างกลางแล้วก็อย่างประณีตเห็นไหมกุศลต่ำกลางและประณีตเอาอะไรเป็นเครื่องวัดฉันท้าวิริยะจิตตปัญญาที่ต่ำก็กลายเป็นหีนะไปต่ำฉันท้าวิริยะปัญญาระดับกลางก็เรียกมัชชิมะฉันท้าวิริยะจิตตปัญญาระดับระดับประณีตระดับสูงก็เรียกประณีตะหรือประณีตพอแยกด้วยสามอย่างนี้ก็กลายเป็นหนึ่งันสองอันนี้คือ ความมากมายที่ท่านให้มุมไว้ในการวิจัยทั้งนั้นในการวิจัยทั้งนั้นเห็นไหมหลากหลายในเรื่องของอารมณ์หลากหลายในเรื่องของกรรมคือการกระทําหลากหลายในการที่มุมมองของกุศลทั้งหลายที่จะเดินขึ้นซึ่งในรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นก็เป็นรายละเอียดที่เอามานํามากล่าวได้เพียงนิดเดียวเท่านั้นหละแต่เราท่านทั้งหลายก็ยังจะต้องเอามาเป็นหัวข้อในการปฏิบัติแล้วก็ไข่ควรสืบค้นกันใช่ไหม เพราะที่สุดจริงๆก็เป้าหมายก็คือว่าทําลายบาปนั่นเองเพราะอะไรดังกล่าวบอกว่าบาปเนี่ยมันชํานาญวัตถุหนึ่งชิ้นวัตถุกรรมหนึ่งชิ้นเนี่ยบาปเกิดได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเรามองคนคนหนึ่งเนี่ยนะบาปเกิดเยอะหมดใช่ไหมแต่เรามองบุคคลคนหนึ่งให้บุญเกิดเยอะเท่ากับบาปบางทีแทบทําทกันไม่ได้เลยอันนี้บ่งบอกว่าชําไม่ชําไม่ชํานาญเพราะความไม่รีบเร่งในการเจริญกุศลไม่รีบเร่งเจริญนิธรามความดีนี่แหละเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เลยกลายเป็น กลายเป็นเป็นโทษไปอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็คือว่าพอเข้าใจกุศลชัดเจนอย่างนี้พอเป็นอย่างนี้ไปเสร็จว่ากุศลเหล่านี้ทั้งหมดจะมีโยนิสโสมนัิการคือการพิจารณาอารมณ์โดยแยกขายนั่นแหละพิจารณาอารมณ์ด้วยปัญญาเนี่ยเป็นเหตุใกล้โยนิสโสมนัิการล่ะนะก็มีการมีอะไรเป็นเหตุใกล้การฟังพระสัจธรรมการฟังพระสัจธรรมก็คือการ ค, ครบสัตบุรุษนี่นะการคบสัตบุรุษมีพระเจ้าเป็นต้นนั่นเองนะ เหตุกล้ของการคบสัตบุตรก็คือการอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมถามบอกว่าในสูตรนี้ที่ท่านมหาอนาจอ่านใช่ไหมท่านมหาอนาอภิษเรชถากรยานีปาปาจิตตังนิวรเยเนรีบเร่งกระทำความดีป้องกันจิตจากความชั่ว